วันนี้ไปงานลงปู่สายมาประชาชนมากพระภิกษุสามเณรก็มากเต็มแอร์อัดไปหมดทางเข้าทางออกก็เล็กก็พอไปได้มาได้สะดวกพอดีพอดี หลวงปูสายท่านมรณภาพตั้งแต่วันที่สิบห้ามกราปีนี้ปีห้าแปดเนี่ยวันที่สิบหกวันรุ่งขึ้นเราก็ไปได้ยินว่าวันที่สิบห้าท่านมรณภาพสิบโมงที่สีนักคารินโรงบาลสีนักคารินตอนบ่ายๆหลวงปูจันเรียนไปเป็นผู้ช่วยดูแลจัดแจง ให้กำลังใจใ ห, หมูเพื่อนแล้วก็กำหนดวันถวายเพลิงท่านวันนี้วันที่ยีสี่มกราคมวันนี้หลวงปู่จันเหลียนเพราะหลวงปู่จันเหลียนท่านเข้าใจดีท่านทราบดีหลวงปู่สายนี่ <c oughs> แล้วก็กำหนดให้ถวายเพลิงวันนี้ด้วยแล้วก็ตามกำหนดการจะย้ายศพจากชลามาที่ปรําพิธี วันที่ยีิบสามพอดีวันที่ยีบสองนี่เขางเต้นกลางรายเสียจเรียบร้อยท่านไปท่าก็เลยให้ย้ายศพมาล่วงนากอนย่สิบสามย้ายมาวันที่ยีบสองเนี่ยมุกราเนี่ยซึ่งวันนั้นพวกเราก็ไปร่วมสวดอภิธรรมด้วยวันนั้นประชาชนก็มากวันที่ยีบสอง เลยเอามัสมมาตั้งตรงนั้นหนึ่งคืนสองคืนมั้ง <c oughs> ผู้สายอายุ92ปีอายุท่าน92ปีพันษา37พันษาท่านบวชเมื่อตอนอายุ55ปี ท่านมีครอบครัวแล้วซว่าประวัติเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นหมอลำเป็นระดับประมาจาย์อาจารย์หมอลำเลยแหละลุลงผู้สายเพราะฉะนั้นคําเทศคทศําสอนของท่านนะ่ะเป็นกรอนเป็นคลองจองไปหมดเลยเป็นพยาเป็นลายเตรียมไปหมดลุงผู้สาย <c oughs> ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมนะลุงผู้สายเนี่ย ไปดูคุณธรรมในสุปฏิปันโนเนี่ยมีคุณธรรมตามนั้นหมดเลยสุปฏิปันโนปกวัตโตสาวกสังโฆพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปันโนปกวัตโตสาวกสังโฆเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงต่อธรรมตรงต่อวินัยสังเกตว่าท่านบวช หลังจากท่านบวชแล้วท่านก็ท่าดงไปนู้นท่ดงไปนี่ท่ด่งเราก็จําไม่ชัดนะท่านท่านดงไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ถูกเทวดาไล่ให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ท่านไปอยู่มาตั้งแต่ปีไหนไม่รู้แล้วก็ประวัติโดยละเอียดแล้วก็ทราบไม่ได้ผู้สายวิชุปฏิปันโนกวตตุสักวกสังโขเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาต่อมรรคแป อริยมรรคมีองค์แปดเนี่ย <c oughs> พุทธเจ้าทัางกระทรงตราไปแล้วตราอะไรก็ตามมีผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ปดคือศีลสมาธิปัญญาพระอริยบุคคลจะไม่สูญไปจากโลกเนี่ยหลวงปู่สายญาญาปฏิปันโนสามีปฏิปันโน อหุนย y o ปหุนย y o รักขินโยอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติงามเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้สมควรกราบสมควรไหว้สมควรแก่ของต้อนรับสมควรแก่ของคํานับและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกเอสะษษษษสะปะวโตสะปุญญะเขียตังโลกัสสะ เป็นผู้สมควรเป็นผู้เป็นเนื้อหนาบุญของโลกที่เรากล้าพูดอย่างนี้เพราะเราได้ยินจกากหลวงปู่จันเรียนเนี่ยมีมีวันหนึ่งเราไปก ร, บราบหลวงปู่จันเรียนพาหมู่ไปนี่แหละหลวงปู่จันเรียนท่านก็ปรอให้ฟังว่าหลวงปู่สายมานี่แหละมาเล่าให้ฟังว่าท่านหมดแล้วท่านหมดแล้วท่านหมดกิเลสอาสวะแล้วอ้าหมดก็หมดสิหลวงปู่จันเรียนท่านเล่ามา เออหมดก็หมดี่ก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้หมดแต่แท้แต่เราก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะวันนั้นถ้าใครไปด้วยกันก็จะได้ยินน่ะยันจะเรียนทำเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นคราวนี้ท่านก็เลยโดดไปจัดการเองไหมไปตั้งแต่วันไปส่งน้ําศพท่านนะั่นวันที่สนะิบห้าตอนบ่ายแล้วก็วันที่ยี่สิบสองท่านก็ไปไปย้ายไปย้ายศพหลวงปู่ ม, มาที่ที่เมนเนี่ย ประดิย้ายมาที่เมนวันนั้นคนไปรวมกันเป็นหมู่มากทีเดียวเลยแหละก็เลยได้ได้ไดนั่งสะดวกสบายเพราะบริเวณเมนที่ไปจัดไปตั้งเอาไว้ในหมู่เขาก็เอาเต้นเอาอะไรไปกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเก้าอี้เป็นหลายพันเก้าอี้สหรับนั่งมีอาสนะสองสามสองส า, ส, าสามแถวเสร็จเรียบร้อย <c oughs> พระสงค์นั่งได้จํานวนมากพระมหาเทระพระเทระ ที่นั่งของญาติโยมก็นั่งได้เป็นจนํานวนมากเมนที่เราเห็นนะนะั่นน่ะเป็นเมนที่ท่านทำเสร็จก่อนแล้วเป็นเมนปูนซีเมนอ่ะแต่เตานี่จะทําเสร็จก่อนหรื อ, อยังไงหรือทําทีหลังไม่ทราบเราก็ไม่ได้ดูแต่ท่านเขียนคติทำไว้ที่เมนพระเราฟังนะวันนั้นนะพระเราฟังท่านเขียนคติทำไว้ที่เมนว่าตัวตายกายเนา่าจิตไปตามกรรม จะสูงหรือต่ำแล้วแต่กรรมจะนำไปท่านเขียนไว้ที่เมนของท่าน แ, แล้วก็เจดีย์องค์นั้นเจดีย์เล็กๆแต่อยู่ในที่สูงที่สูงตรงนั้นจากระดับสูงฐานเจดีย์มาถึงพื้นระดับล่างแปดเมตรตั้งแต่สมัยทำใหม่ๆเราได้ไปช่วยดูพอหลังจากยกองเจดีย์ขึ้นไปอยู่สูงแล้วแต่เจดีย์เป็นสองชั้นนะมีชั้นล่างด้วยชั้นบนด้วย ก็พอดีกระแทดรัฐกระแัดรัฐพอดีไม่สูงไม่ใหญ่แต่บริเวณดินที่ถมขึ้นเนินขึ้นเนี่ยเอามาจากสะสะบักใหญ่เลยแหละสะ น, านาั่นน่ะได้สะใหญ่แล้วก็ได้เนินดินได้เนินดินทีแรกก็ไม่ไม่รู้จะพัฒนายังไงเนินดินตรงนั้นเราก็เลยปรึกษากับคุณชายโคราดคุณชายเขาเขาก็เลยแนะนำให้ให ทำดินให้เป็นเนินแล้วปลูกหญ้าพอมาถึงตอนนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆเพราะเราจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นรู้สึกว่ามันจะสิ้นเปลืองงบมากบริเวณกว้างมากแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาให้รอบข้างเมนนะนะั่นเป็นที่เดินรอบได้วิ่งได้อะไรได้รถเดินอ้อมได้มีที่กลางเป็นโรงทานโรงอะไรได้อย่างทุกวันนี้เราไปเห็นนะก็เสดจเป็นรูปแบบแหละมายัางอื่นก็ขึ้นได้บ้าง แต่ก็ไม่ค่อยจะมีไม้ปลูกไม้อะไรเพิ่มเติมเท่าไห่มากนักมีบันไดขึ้นลงได้สะดวกสบายตอนวันเปิดเจดีย์เราก็ได้ไปเมื่อก่อนฉลองเจดีย์เรากไ็ได้ได้ไปช่วยดู <c oughs> บูษายเราก็เป็นที่ข่ารพบองลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์จำนวนมากทั้งพระทั้งโยมพร ะ, <c oughs> พระผ่านตรงนั้นก็เยอ ะ, อะเป็นจำนวนมาก ลูกศิษย์ที่ไปบวชอยู่กับท่านแล้วก็มาที่เรานี่ก็หลายหลายหลายครั้งหลายหลายองค์หลายครั้งหลายองค์โดยเฉพาะปีที่แล้วมามานี้ก็สององค์แล้วก็ก่อนกอ น, นั่นก็เคยมีมาบวชที่นู่นแล้วก็มาที่นี่แล้วก็หลวงพ่อเพิ่มโดยเฉพาะหลวงพ่อเพิ่มเนี่ยเคารพมากหลวงปู่สายวันครบรอบทีไรเมื่อไรหลวงพ่อเพิ่มต้องไหนไปตั้งแต่เดิ น, ดนสะดวกสบายหลวงพ่อเพิ่มตอนนี้ก็เดิน ขยักขยักขาเก้าธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นข้าวก้าวไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้ดีเราพูดถึงหลวงปู่สายอืตอนนี้ก่อนพิธีก็บ่ใบมองอาจารย์สวัสดิ์เขาผูกอาจารย์สวัสดิ์น่ะไอออะไรนะครูขาดน่ะครูขาดสารคามแสดงธรรมชั่วโมงเศษอาจารย์สวัสดิ์แสดงธรรมชั่วโมงเศษ <c oughs> บรรยากาศก็พอดีไม่ร้อนเพราะหน้าหนาวเราใส่กีวอนสองตัวเราก็ยังไม่ตึงกัร้อนมากทั้งๆไม่มีพัดลมไม่มีอะไรหรอกพี่อาจารย์ก็นั่งฟังดีๆที่แรกตอนเริ่มต้นเทศก็รู้สึกว่าอลตส่านหน่อยขนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเจ ด, ดีไม่หยุดไม่หย่อนคนไม่เคยเห็นพอเทศเลยไปค่อนกันเทศเครื่องชั่วโมงกว่าขนชักจะเริ่มเงียบ เริ่มลงมานั่งฟังเต็มไปหมดอาจารย์สวัสดิ์ท่านก็เทศราบเรียบราบรื่นดีเทดไปเทศไปพูดถึงการทรมหากินของผัวเมียคู่หนึ่งทุกยากลำบากเหลือเกินทรมาหากินยังไงก็ไม่ไปหน้ามาหลังในที่สุดก็เออน่าจะมีใครสักคนหนึ่งไม่มีบุญบุญไม่มีเป็นกาลกณีบุญญาบารมีประชานอยู่มาอยู่ไปอยู่มาไม่ ลูกก็ไม่มีด้วยกันได้เลยมาแยกกันตอนนี้นิทานเด็กท่นานเทพไปถึงช่วงหนึ่งนิทานออกละสา ม, มีภรรยาคู่หนึ่งทำหมากินไม่ไปหน้ามาหลังหละต่อมากันโอ้น่าจะมีคนกล้าละกินดีทำหมา ก, กินไม่ขึ้นไม่มีบุญบารมีก็เลยเลิกกันเอาเพวกเราแยกทางกันซะเพราะว่าไม่มีลูกด้วยกันต่างคนต่างไปทำหมา ก, กินแต่ก็นัดแนะกันไว้ว่าใครไปได้ดิบได้ดีที่ไหนก็ให้บอกกัน ให้บอกกันผัวก็ไปทำหากินอย่างหนึ่งทำมาหากินหากินไปหากินมาไม่พอปากพอทองกเลยเที่ยวขอเขาได้ทีนี่ขอทานผัวขอทานแต่เมียเนี่ได้ไปรับใช้เป็นลูกคนใช้ของเศรษฐีด้วยเหตุที่เมียเนี่ยเป็นคนมีนิสัยดีและเป็นคนมีบุญบารมีพอสมควรอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปเมียเศรษฐีตายเศรษฐีพอใจคนใช้ ก็เลยเอาคนใช้ที่เป็นเมียข อ, ของนายคนนี้ไปเป็นเมียทน่นี้ไปเป็นแม่บ้านไปเป็นเมียก็เลยอยู่สุขสบายและร่ำรวยและเป็นลูกเศรษฐีและไอ้เป็นภรยาเศรษฐีแหละอยู่สุขสบายแห ล, ละนี้กล่าวถึงสามีทรมหากินตักตอยไม่พอกินไม่พอปากไม่พอท้องขอไปยเรื่อยพอมาถึงต ร, ม า, งตรมาถึงตอนนี้เราก็ทราบเลยว่า ใครเป็นกาลกิกณีใครเป็นคนไม่มีบุญบารมีแน่เราดูสินีคนหนึ่งมีบุญบารมีคนนี้คนหนึ่งไม่มีบุญบารมีแต่เมียเป็นผู้มีน้ำใจไม่ลืมคำที่เคยสั่งให้เกิดกาละกาณตอนตอนเลิกกันเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งสา ม, ามีได้ขอไปขอไปไปถึงหน้าบ้านเศรษฐีแต่ไม่รู้ว่าเมียเจ้าของเนี่ยมาได้เป็นภรยาเศรษฐีแล้วก็จําเมียไม่ได้จําเมียไม่ได้แต่เมียเนี่ย จำสามีได้โอ้สามีเราทแต่ไม่บอกให้รู้จักนะไม่บอกให้รู้จักก็เลยอ ะ, อ, ะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอาของมาให้ก็ไปเอาอะไรนะบักรื้ออะไรนะ <c oughs> ฟักทองไปเอาฟักทองมาแล้วก็ฝานเอาใส่ฟักทองออกหมดเอาแก้วแว่นเงินทองยัดใส่เต็มนั้นแหละ เอามาให้เอามาให้อ่าไปนะเอาไปต้มไปอะไรกินนะวะคิดว่าผัวใด้ไปนี่ก็คงจะร่รํารวยแล้วเป็นเศรษฐีแลหละเราแก้วแหวนเงินทองมากมายเอามาใส่ไวแ้แหละฝานเอาไว้แล้วก็เอาปิดไว้เหมือนเดิมเอามาให้ผัวผัวนี่ขอไม่ได้กินแล้วแต่นี่มันเน็ดมันเหนื่อยหิวก็หิ ว, หวอะไรกาอะไรเนี่ยก็เลยเอาเอาไอ้ฟักทองเนี่ยแหละไปแลกข้าวกิน เอาฟักทองที่มีข้างในมีแต่แก้เวเหรีเงินทองเนี่ยไปแหลกฟักไปแหลกข้าวกินคนที่ได้ไปก็ร่ํารวยไปตามๆกันนี่ก็ได้แค่พอได้เข้าเข้ารับทานแค่มื้อหนึ่งเท่านั้นแหละ <c oughs> แล้วก็เที่ยวทํามหากินไปแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาผ่านไปผ่านมากับผ่านไปหน้าบ้านเมียอีกแล้วเมียเดิมเมีย เ, เก่า น, นะเมียเห็นเอา้ามาอยู่แล้วเอทําไงไม่ได้แก้เวเหวนเงินทองแล้วอุตส่าห์ใส่ไปให้ทั้งเยอะแยะ อ้าคอยนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอามาให้อีกทีนี้ก็เอาไปตองไปลนไฟอย่างดีแล้วทีนี้มีทั้งไส่ทั้งข้าวทั้งกลับทั้งอะไรตัวไรแก้วแหวนเงินทองอัดเข้าไปในนั้นเต็มเลยเอานะไปเอาไปกินให้ดีให้ปลอดภัยนะไปเดินไปเดินไปไปถึงสะพานเนี่ย <c oughs> แม่น้ำเไปเปิดกินบนสะพานนั่นแหละไปเปิดกินบนสะพานนั่นแหละอ่าพราะเปิดกินเห็นแก้วแหวนเงินทองกโอ้ดีโอได้ใหดิ้นไปยังไงไม่รู้นะตกน้ําหมดเลย ไม่ได้ทั้งกินไม่ได้ทั้งแก้วแหวนเงินทองตายแล้วสองรอบแล้วไม่ได้นคือคนไม่มีบุญอเดินตกตกไตไปมาแล้วเดินไปเดินมาผ่านบ้านหน้ามีอ้าวให้ไปสองครั้งแล้วแสดงว่าไม่เจอหรือเจอแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้สอยไม่ได้อะไรเลยเลยอ้าวอยู่นี่แล้วไปเอามาอีกไปเอาใบตองมามาหลนไฟแล้วก็ขอให้อีกเหมือนเติมเลยทีนี้ไปกินให้ปลอดภัยนะอย่าไปกินตรงฝั่งน้ําฝั่งอะไรเด็ดขาดเลย ไปก็ไปหาที่กินทำอะไรจะปลอดภัยนาะโอ้ oh, oh, ไปเจอต่อไม้อย่างดีเลยต่อไม้หนี่งก็สูงจากพื้นดินพอสมควรแหลอะอต่อไม้ใหญ่นี่ยต่อเออนี้แหละที่ดีตรงนี้แหละที่ดีที่หมอนนั่งกินข้าวอยู่เปิดไปเลยเห็นทั้งข้าวทั้งกับทั้งแกงทั้งแก้วแหวนกันทองอยู่นนะั้นดีออกดีใจเต้นแรงเต้นกาเต้นไปเต้นมาตกคอตายจ่อย <laughs> เราฟังแต่ตรงนี้แหละเจ้าบ้าน หัวเต็มหัวตึ้งไปเลยนี่คือคนไม่มีอุ่นคนไม่มีบา ร, รมีคนไม่มีบุญอนิทานนิทานนี้อท่านอมาล่าใฟังอยู่เรื่อยเราก็จําได้นะเราก็จําได้นิทานอาจารย์สวัสดียนิทานผัวเมียคนหนึ่งคนหนึ่งมีบุญบา ร, รมีคนหนึ่งคนหนึ่งไม่มีบุญบา ร, รมีมันเป็นอย่างไ้นนะทีนี้เรามาพูดถึงบุญบา ร, รมีบุญบา ร, รมี คือสิ่งที่เราจะพึ่งทำนะไม่ใช่บุญอยู่ๆมก็เกิดบารมีอยู่ๆมก็เกิดคือคนหนึ่งเคยทํามาแต่คนหนึ่งไม่เคยทํามาแต่หากมันมันมาบรรจบพบกันเพราะว่ามันมีบุญมีกรรมด้วยกันนะมาได้เป็นสามีภรรยากันมันก็มีบุญมีกรรมด้วยกันมันเกี่ยวข้องกรรมมันเกี่ยวข้องกันขึ้นชื่อว่ากิเลสในวัฏจักสงสารเนี่ยมันชักใหญ่เข้าหากันบางทีก็บุญ บุญต่อบุญถึงกันมันก็มาพบมาเจอกันบางทีบุญต่อบุญไม่ถึงกันแต่มันมีกรรมมีเวรที่จะต้องมามาสนองกัน ไ, ไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าไม่ว่าจะเป็นหลานเลนที่จะมาเกิดในสายเลือดเดียวกันมันมีบุญมีกรรมต่อกันบางคนก็มีบุญต่อกันบางคนก็มีกรรมมีเวรต่อกันมาเกิด ด้วยกันมาเกี่ยวข้องกันมาผูกพันกันเราจะดูไปที่บางคนครอบครัวเดียวกันสามีภรรยาไม่เคยถูกกันเลยบางทีลูกเกิดมากันดีดีบางทีพ่อแม่ถูกกันดีดีจะ่ลกรูกเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ถูกกันเลยกับพ่อกับแม่ไม่ถูกกันเลยถึงกับข่ากับแก่กันก็มีเราดูสิเพราะเป็นเวียนเจ้ากรรมเจ้าเวียนมันมาตามล้างตามผลานจองเวียนจองภัยจองล้างจองผลัดแก่กันเลยกัน สิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำโลกแล้วก็เป็นภไยในโลกแล้วก็มีให้เราเห็นอยู่เนืองเนืองนี่เราจะว่าแต่บุญแต่กรรมนะมันทําให้เรามาประสบพบเห็นกันบาปกรรมมันก็ให้เรามาประสบพบเห็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันก็ดูอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าตอนหลังมาก็เห็นไหมมาเป็นกษัตริย์มาเป็นเจ้าชายด้วยกันนะ ว่าเป็นเจ้าชายด้วยกันพอพระพุทธเจ้าท่านออกบวชเทวทัศนก็แสดงตัวเป็นศัตรูมาตลอดตั้งแต่เด็กๆนะแตนน่ตามตำนานตำนานก็ว่าพิมพาก็เป็นน้องสาวของพระเทวทัศนะ์ะโดยเฉพาะพ่อของพระเทวทัศน์เนี่ยพระเจ้าสุ ป, ปะพุท ธ, ธะนี่ก็โอ้เครียดกับพระพุทธเจ้ามากเลยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ลูกสาวเจ้าของนี่เป็นไม้เนี่ยพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตในบริเวณวังเท่านั้นแหละ สั่งให้นักเลงกินเหล้ามากินเหล้าขวางทางมาดื่มน้ําจันทร์ขวางทางเลยแหละดื่มน้ําจันทร์ขวางทางพระพุทธเจ้ามาแล้วเดินผ่านไปไม่ได้นะมากินเหล้าขวางทางไม่อยากให้ผ่านเฉยเฉยนี่แหละสั่งให้พวกนักเลงมากินเหล้าขวางทางพุทธเจ้าก็เลยแย้มประโถดพูดเปลยเปๆ ย, ยมาพระอนุนได้ยินเออพระเจ้าสุปพุทธาเนี่ยจะต้องถูกแผ่นดินสูบภายในเจ็ดวันนะ คนนั้นได้ยินก็เลยไปเล่าฟังไปเล่าฟังนั่นนั่นแหละดีแล้วเราจะทําให้คําพูดของพระสมณโคดมเนี่ยเราจะทำให้ทำให้คําพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเท็จก็ว่าเป็นเท็จจะไม่ยอมลงแผ่นดินแล้วก็ดินที่ไหนมันจะสูบนอนเลยสั่งให้บริษัทบริวารเก็บสเสบียงอย่างดีไปอยู่บนประสาทชั้นเจนั่นแหะยังไงยังไงไปสั่งประตูทุกประตูก็ถ้าเราลงมาก็ผลักเข้าผลักเข้าผลักเข้าผลักเข้านะ อย่าผลักออกมานะให้ผลักขึ้นไปไม่ให้เปิดเด็ดขาดเลยพออยู่มาอยู่มาใกล้จะถึงวันครบเจ็ดพอถึงวันที่เจ็ดเท่านั้นแหละพอถึงวันที่เจ็ดเจ้ามา้าเจ้าตัวโปรดที่สุดมันคึกขนองใครไปห้ามไปปราบยังไงมันก็ไม่หยุดม้านะ่ะมาคึกขนองนี่พอมาตัวโปรดมันคึกขนองอย่างนั้นมันเป็นเหตุแปลกนะเป็นเหตุแปลกสุภพุท ธ, ธานี่ก็ ท, ทนท น, ทนไม่ไหวลงมาเพื่อที่จะมาห้ามมานะ้าเนี่ย มามันคือขนองที่ไหนได้เคยนัดแน่กับคนเฝ้าประตูทุกทุกชั้นทุกประตูแทนที่เขาจะผลักเข้านะครับผลักลงผลักลงผลักลงผ ล, ล, ล, ล, ลักลงมาจนถึงบันไดก้าวเท้าลงบันไดแผ่นดินก็สูบตรงนั้นเองนั่นเี็นไหมคู่เบนคู่ไพมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับกันมันไม่มีจบขึ้นเชื่อว่าวัฏฏะสงสารกับเวนกับไพกับบาปกับกรรมไม่มีจบ แต่ว่าเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนนะใครที่มีรู้สึกว่ามีเวนมีภัยต่อกันแล้วกันท่านให้ระ ง, งับด้วยการไม่จอนไม่จองเวนให้เริ่มล้มเลิกความอาฆาตมาด ร, ร้ายความพยาบาทปองร้ายซึ่งกันและกันนะเวนเหล่านั้นถึงจะสงบระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนแม้แต่ทีขาวุคุมานเนี่ยทีขาวุคุมานเนี่ยศัตรูอยู่ในเงื้อมมือแต่แท้เนี่ย พอระลึกถึงคําที่ว่าเวรระ ง, งับด้ว่าการไม่จองเวรสามารถสงบระ ง, งับได้ทีขบุคมานเนี่ยเป็นพระกุมารพระพราชบิดาพระเจ้าทีคติพระเจ้าทีคติเป็นเจ้าเมืองเป็นพระเจ้าเป็นดินเมืองหนึ่งทีท่ถูกพระเจ้าถูกพระเจ้าพารานาสีเนี่ยปฏิเมืองได้ ปติเมืองได้ก็เลยก็เลยพลัดถิน่นพลัดถิ่นรอนเร็มมาพอพลัดถิ่นรอนเร็มม า, ามาอยู่ในเมืองเป็นคนเป็นคนปลอมอยู่ในเมืองว่า ง, งั้นเถอะทั้งลูกทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งพระราชกุมารทั้งพระเมรีสีทั้งอะไรก็มาอยู่ทําให้คนบ้านเมืองบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่พออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมีราชบุตรจับได้เลยเอาเอาไปเอาไปถวาย พระเจ้าพราณสีพระเจ้าพราณาศีก็เลยให้ให้เอาไปประหารชีวิตในขณะที่แห่ไปประหารชีวิตนั้นอ่ะที่เขาขุกรมานก็เป็นเด็กกุ ม, มารรู้เลียงสาภ า, าวะแล้วพ่อกับโลกเท่านั้นที่เห็นกันแล้วก็รู้จักกันคนอื่นไม่มีใครรู้จักว่าทีเขาวุกรมา น, นี่เป็นลกูกพ อ, อาราช บ, บุตรเขาเอาไปประหารชีวิตก็เลยพูดเป็นคติเป็นคติ คนสองคนนี้แหละฟังรู้เรื่องแต่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องอบอกว่าโลกเอ๋ยออรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเขาว่ารักยาวให้บันหมายความว่าถ้าหวังมิตรภาพมิตรไมตรีต่อกันไปยาวยาวให้บัน่นหมายควาให้ตัดแต่ถ้าแต่ถ้าต้องการทําให้มิตรภาพนี่สั้นลงจุดจูลงนี่กะ ให้ต่อหมายความให้ก่อเวนก่อภัยต่อไปมิตรภาพเหล่านั้นมันก็จะขาดแต่ที่เขาคุมมาเนี่ยเป็นคนฉลาดรักยาวให้บัน่นรักสร้างให้ต่อเข้าใจเข้าใจในคติธรรมอันนี้ที่พ่อพูดเอาไว้ในระหว่างที่เขาเอาไปไ ป, ไปตะแหลงแกงไปฆ่านั้นก็เลยพยายามตั้งอกตั้งใจทำมาหากินอยู่สุขสบายและพยายามเพื่อที่จะไปทำงานในราชสำนัก ของพระเจ้าพระราชนีให้ได้ด้วยบุญบา ร, รมีเก่าที่เคยมีมาด้วยที่เขาขที่เขาผก ม, มานก็คือพระพุทธเจ้าของเรานนัะในประชาตินั้นแหละ <c oughs> ในสุขก็ได้ไปเป็นผู้รับใช้ไกลชิดที่พระเจ้าพระาพระาชนีชอบไปล่าเนื้อชอบไปล่าเนื้อมอีมีอยู่ครั้งหนึ่งไปล่าเนื้อพอล่าเนื้อเราก็ลไล่เนื้อไล่ไปไล่ไปไล่วิง่ง อาเตลิดเปิดเปิงทิ้งบริษัทบริวารไปหมดไปกับทีคาวุกุมารน่ยวิ่งไปจนเหน็ดเหนื่อยนะ่ะเพื่อที่จะไปล่าเนืนะ้อเลยหลงทางม บ, บริษัทบริวารอยู่ไหนไม่เห็นมีใครเลยด้วยด้วยเรี่ยวแรงที่วิ่งไปเหน็ดเหนื่อยไปพักไปนอนไปพักที่ใต้ร่มไม้ร่มหนึ่งกับสองคนกับทีขาวุกุมารเนี่ยนอนหลับบนตักของทีขาบุกุมารที่คาบุกุมารก็โตแล้วเป็นหนุ่มแล้ว เ, เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ย แต่ทีเข้าพุกมังยังจำได้จำได้ตลอดว่าพระยาพารณสีเนี่ยฆ่าพ่อเราฆ่าพระชิบิดาพระฆ่าพระชิบิดาถ้ามาทำงานราชการเกี่ยวข้องกันก็จริงอยู่แต่ระลึกอยู่ในใจเสมอว่าคนนี้เป็นศัตรูของเราเป็นศัตรูของเราฆ่าพ่อของเราฆ่าพ่อของเราพอได้ช่องอย่างนั้นก็เลยด้วยความเหน็ดเหนื่ยอยเขาพระยาพารณสีก็หลับม่อยไปพขหลับไม้อยไปทีเข้าพุกมังก็ชักดาบขึ้นมาเลย ชักดาบขึ้นมาระลึกได้ถึงคำพอ่อร ะ, ะลึกได้ถึงคำพอ่อลูกเอ้ยรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักยาวหมายความว่ารักมิตรไมตรีมิตรภาพมิตรภาพจะอยู่กันอย่างยืนยาวก็ให้บั่นให้ตัดให้ตัดเรื่องเรื่องนี้เสียให้ตัดออกเสียถ้ารักสั้นให้ต่อรักสั้นให้ต่อถ้าต้องการให้มิตรภาพขาดจุดจูลงเดี่ยวนี้ ก็หมายความว่าให้ผูกเวรผูกพยาบาทต่อไปหมายความว่าศัาตรูอยู่ในเงื้อมมือแล้วก็สามารถทํำลายได้อะไรได้อย่างเงี้แต่ทีขาวุกุ ม, มารเห็นว่าโอ้คําของพ่อเราเนี่ยการที่เราทําเพื่อ ก, ก่อเวรก่อภัยไม่จบไม่สิน้นแบบนี้มันไม่เห็นมีเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องการมิตไมตรียืดยาวไปข้างหน้าดีกว่าชักขึ้นมาสองครั้งก็เอาลงใจฟัก ชักขึ้นมาครั้งที่สามก็เอาลงใส่พระ ก, ก็พอดีก็รอกกระแตมันร้องพระเจ้าพระราศีตื่นขึ้นม า, ารู้ว่าอยู่ในวงอ้อมของศัตรูนี่โอ้ตกอ ก, ต ก, ต, กตกใจเลยขอชีวิตต่อทีขาหุคุ ม, มารนะเนี่ยขอชีวิตด้วยเหตุที่ทีขาหุคุ ม, มารเนี่ยปลงใจแล้วว่าจะไม่ทําอันตรายอะไรกับพระราชาหวังจะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันและกันในโอกาสต่อๆไป เมื่อพระเจ้าพระรัชนีขอชีวิตต่อทีขาวุกุมารทีข่าวุกุมารก็ขอพึ่งขอชีวิตต่อพระเจ้าพระราชนีต่างคนต่างอาโหสิกรรมให้เกลักกันเล็กกันไม่จองเวรจองร้างจองผลนันซึ่งกันเล็กกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปทํางานราชการไปสักพักหนึ่งพระพระเจ้าพระราชนีก็สวรรคตลงทีขาวุกุมารก็ได้เป็นกรรษัตริย์สืบต่อนี่ท่านพูดถึงว่า เ, เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร เรามาดูแล้วการจองเวรไม่เกิดประโยชน์อะไรการจองเวรก็คือเพื่อที่จะไปล้างแค้นล้างผลาญล้างอะไรต่ออะไรอันนี้คือหลักธรรมะนะที่ท่านเอามาสอนเป็นคติเป็นตัวอย่างนี่เราพูดถึงเวรถึงภั ย, ถ, ภยถึงบาปถึงกรรม <c oughs> ะนะเราพูดถึงอะไรถึงนิทานที่อาจารย์สวัสดิ์ท่านเทศเรื่องสามีภรรยาที่มีบุญบา ร, รมีไม่เท่ากันแล้วไปได้กันหนูี่สุดก็ถึงจะมีสมบัติ มีพยายามส่งถึงขนาดนั้นแล้วนี่ยคัยังไม่มีโอกาสที่จะใช้เพราะบุญไม่มีบุญต้องทํานะบุญถ้าไม่ทําก็ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้บุญอ่าไม่มีโอกาสที่จะได้บุญไม่มีโอกาสที่จะมีบุญอ่าแม้แต่ทรัพย์สมบัติก็เอาไปให้ทั้งสองสามวาระก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้อ่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ทรัพย์เหล่านั้นนี่คือความไม่มีบุญบุญคือความดีนั่นแหละ ความดีต้องสั่งสมอบรมคนที่ทำตัวตามอาเภอใจของตัวเองนะ่ไม่เคยคำนึงถึงทานถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาไม่เคยคิดถึงเรื่องเวรเรื่องภยัยเรื่องบาปเรื่องกรรมทำอะไรตามใจชอบทุกอย่างทำอะไรตามใจชอบทำอะไรตามใจตัวเองทุกอย่างไม่เคยคฟังคำบอกคำสอนคำตักเตือนจากใครทำอะไรได้ตามใจชอบ แสดงว่าจิตของตัวเองลุกอำนาจให้กับกิเลสในใจของตัวเองตลอดทุกระยะทุกเวลาขึ้นชื่อว่าไม่สังสมคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจเป็นผู้ไม่สังสมบุญตรงกันข้ามเมื่อไม่สังสมบุญแล้วก็เป็นการสังสมบาปการสังสมบาปนี้เองทําให้ตัวเองเนี่ตกทุกข์ได้ยากมีเวรมีภยัยมีบาปมีกรรมมีเรื่องทุกข์ยากลาบาก มาทับมาถมหัวใจอยู่ทุกระยะทุกวันทุกเวลาไม่มีจบไม่มีจุดจบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเวรภัยบาปกรรมของใครของเราไม่ใช่อยู่เกิดขึ้นลอยลอยบุญคุณงามความดีศีล ส, สมาธิปัญญาในหัวใจของใครใครไม่ใช่อยู่อยู่แล้วก็เกิดขึ้นลอยลอยอยู่อย่างสร้างสรรค์ทำบาปก็ได้บาปทำบุญก็ได้บุญทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่ว เพราะฉะนั้นคนเราเราอยู่เฉยปล่อยจิตล่องลอยเลื่อยเปลื่อยไปตามบุญตามกรรมแสดงว่าปล่อยไปตามอํานาจของกิเลสถ้าเราตั้งใจจะฝ่าฝืนกิเลสเราจะต้องระลึกถึงคําบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนอย่างอื่นไม่แน่นอนที่จะดิ่งไปสู่คุณงามความดีอย่างแท้จริงไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงได้แต่ถ้าเป็นคําบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านอุบัติเกิดขึ้นมา เพื่อปรารถนาขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสา ร, รให้เริ่มสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบา ร, รมีตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองนี่เมื่อเราตั้งใจขวนขวายอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุสร้างคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจบุญบา ร, รมีก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยจนมีหิริ เต็มที่มีโอตปัดเต็มที่มีความหวาดวิตกกลัวเจ้าของจะไม่ได้ดีกลัวเ จ, เจ้าของจะได้รับเวรรับภัยรับบาปรับกรรมเชน่นอะไรบ้างอ่าไวจีกายทุจริตเนี่ยไวยจีทุจริตมโนทุตจริตเนี่ยอ่าไม่อยากไม่กล้าไม่ก้าวล่วงไม่กล้าก้าวล่วงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไมลักทรัพย์ไม่รบพิษผีในกาม ไม่พูดเท็จพูดยาพูดโซเสียพูดเพยเจเพราะถ้าทำแล้วก็เป็นกายทุจริตวิจีตทุจริตไม่อิจฉาไม่ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาและพยายามศึกษาด้วยปัญญาให้เกิดความเห็นถูกต้องตรงตามสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงที่เขาเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมธรรมโนให้สุดจริตเพราะถ้ากายทุจริต ว่าจีทุตจิตมโนทุตจิตทีไรเมื่อไรแล้วก็จะเป็นให้ตัวเองเนี่ยมีเวรมีภั ย, ม, ภยมีบาปมีกรรมไม่จบไม่สิ้นหันมาตรงนี้เราได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นฐานก็ตั้งใจให้เข้าไปรักษาศีลก็ต้องตั้งใจให้เข้าไปการให้ทานการรักษาศีลแม้แต่การท่องบน่นสวดมนต์ภาวนานการท่องบน่นการสวดมนต์ก็มีมีอนิสงส์มีผลมีสง์การให้ทานก็ทําให้เรา ไม่ฝืดเคืองไม่กันดานไม่อดไม่อยากนะฮะในคนนั้นที่ว่าทำรรหากินทุกอย่างลาบากทรัพย์มาถึงตนแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็เพราะว่าไม่ขวนขวายามันจึงไม่มีผลไม่มีอนิสงฆ์หาอยู่หากินทุกอย่างลําบากขนดาดมันหา ก, กรร ม, มันบรรดาลให้เปลี่ยนอย่างนั้นแหละก ร, รมมันบรรดาให้เปลี่ยนประชาการตั้งใจให้ทานนะมีผลมีเนื้ออนิสงฆ์ ตราบนั้นที่เรายังวนเวียนอยู่ในวัตะสงสารก็จะทําให้เรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยสะดวกสบายไม่ฝืดไม่เขื่อเราดูเอาเถอะคนมันบางคนก็นเหมือนอย่างนายคนนี้แหละนะทํามาหากินนับนาข้าวก็เป็นขอทานดูสิสะดวกสบายไหมได้บ้างไม่ได้บ้างวันๆก็เพึ่อควาศัยไม่มีปัญญาพอที่จะไปคิดหาโน้นหานี้หาอะไรแต่ละเพราะกรรมมันทับถมกรรมมันบันดานให้เป็นอย่างนั้นนี่ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลก็มีผลเมียนิสงเริ่มละเอียดเข้าไปแล้วนะจากนั้นแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ท่องบนสวดมนต์ภาวนาให้ใจได้รับความสงบพิจารณาเกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาให้มีความรอบรู้ให้มีความฉลาดเพื่อที่จะลบลบความมืดมนอนตรการในหัวใจของเรา การท้องบทส่วนมนก็มีผลมีอเ น, นสง์อทําให้จิตของเรากรายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเราในบริสุทธิ์ได้ <c oughs> การท้องบทส่วนมนทําให้เราทรงจําธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอทองไปเถอะทองไปเถอะบนไปเถอะสวดไปเถอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรเสริญพระพุทธเจ้าเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็ น, ยนที่เรียก ว, ว่าทําบัดเช้าทำบัดเย็น จานั้นและบทสวดต่างๆมีธรรมะทั้งนั้นธรรมะเหล่านั้นเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติตามเป็นการสร้างเหตุที่ถูกต้องดีงามย่อมเป็นไปเพื่อผลย่อมเป็นไปเพื่ออนิสง์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีผลมากมีอนิสงส์มากเรมามาสาธยายเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านพูดอเอาไว้แค่นึกคิดในใจนี่ยทำให้อานุภาพของธรรม หรือบทสวดมนต์เนี่ยแผ่ไปได้เป็นหมืน่นหมื่นจั ก, กรวาลเนี่ยท่องพืมพามพืมพาพืมพามพอได้ยินเสียงเฉพาะคนเดียวน์แผ่ไปได้แสนจั ก, กรวาลร้องสวดเต็มที่สวดเต็มที่เสียงดังเต็มที่โอ้อันนี้สงแผ่ไปได้แสนโกรธจั ก, กรวาลโกรนเอาตะคนตั้งใจสวดเด็ด เดียวจริงจังเสียงดังฟังชัดเนี่ยเสียงดังๆเนี่ยอานิสงของเสียงธรรมะที่เราสวดเนี่ยแผ่ไปได้อนันตจักรวาลทำไมถึงแผ่ไปได้ถึงขนาดนั้นที่แผ่ไปแผ่ไปได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครสาธยายอะไรที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเทวบุตรเทวดาเขาได้ยินได้ฟังเขาก็อ่อนน้อมและอนโมธนาสาธุ ก, การ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสวดมนต์พระประดิษอะไรต่างๆเรามีการเชิญเทวดามาฟังธรรมผู้สวดถือว่าเป็นผู้แสดงธรรมถ้าเพื่อเทวดาเหล่านั้นฟังเข้าใจคําแปลแล้วก็ได้อาดได้ทําไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นผู้เอามนต์เหล่านั้นมาท่องมาสวดมาสาธยายมันเป็นการใช้กิจของตัวเองอย่างมีระเบียบ อ่าเพราะอันนี้มันเป็นคำที่เราต้องท่องเอาจิตของคนเราถ้าเราปล่อยให้นึกคิดเรื่อยเปื่อยเขาจะนึกนึกคิดนึกดีบ้างไม่ดีบ้างนึกทาบ้างกิเลสบ้างหรือบางทีไม่มีทําเลยแหละมีแต่กิเลส ท, ทั้งนั้นแหละในขณะที่เราใช้จิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่การสวดปฏิโมกนี่ก็เหมือนกันในระหว่างที่เราใช้จิตกําหนดจดจำํทำทําให้จิตของเรานี่อมีสติสมบูรณ์ มีสัมผัสัญญาดีมีสติดีมีสัมผัสัญญะดีมีความจําดีเป็นการขยับใช้สติใช้ปัญญาในจิตของเราได้อย่างต่อเนื่องนี่มันเป็นการฟื้นฟูปรับปรุงจิตของเราได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นบา ร, รมีทั้งนั้นใครขี้เกียจก็ไม่ได้แหละถ้าใครขยันก็ได้ขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยไม่ขยันนี่ไม่ได้เลย อ, อยู่อับจนเหมือนนายคนนั้นแหละ ในสุดได้ของดีสามวาระไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองเลยในสุดวาระสุดท้ายเนี่ยตายเพราะได้ของดีด้วยซ้ำไปเห็นไหมตายซะก่อนเลยมันไม่ใช้เห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างที่เราฟังแล้วมันเข้ากับหลักของกรรมเข้ากับหลักของเหตุของผลการที่ไปได้เมียที่มีบุญมีบา ร, รมีถึงขนาดนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะเวรเพราะภายัยเพราะกรรมมันนาไปบรรจบกันและให้ได้มาเกี่ยวข้องกัน กับพ่อกับแม่กับลูกบางทีก็มีบุญเหมือนกันมีบุญเท่ากันบางทีก็มีคนหนึ่งมาเกิดด้วยกันก็เพราะว่าเพื่อที่จะมาสนองเวรสนองภัยสนองบาปสนองกรรมต่อกันเลยกันเหมือนอย่างที่เคยเล่าประวัติลุงตาลจานเวลาให้ฟังนั่นแหละลุงตาลเนี่ยมีเพื่อน น, น่าจะมีความลับอะไรกับเพื่อนนั่นแหละอาจจะเป็นเพื่อนฝากของฝากอะไรไว้ มีอยู่วันหนึ่งข้ามฟากแม่น้ําเจ้าพรยาไปข้ามฟากไ่น้ำเจ้าพรยาไปไปงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเวลากลับข้ามฟากกลับคืนมาเนี่ยเพื่อนเมาเพื่อนเมาก็เลยแกล้งเพื่อนเนี่ยพอเรือมันคลงนี่น่ะนั่งเรือข้ามฟากเนี่ยเรือมันโคลองนิดหนึ่งอ่ะเอาไหลไปกระแทกเพื่อนเพื่อนเมาอย่าแล้วเพื่อนก็ดิ่งตีลังกาลงน้ําเลยแหละหายจมหายไปเลยแหละเพื่อนก็เลยตายลอยน้ํำซะอะ ลุงตาลพออยู่มาอยู่มาลุงตาลมีครอบครัวลุงตาลมีลกูกพอลูกคนนี้เกิดเกิดขึ้นมาเป็นคนไม่ค่อยจะสมประกอบลุงตาดลดูลูกนีิทีไรเมื่อไร่เอ๊ะมันเพื่อนเรามาเกิดเนี่ยนะดูหน้าดูตามันที่ไรเนี่ยเหมือนเพื่อนมันยิ้มเสยะใส่อยู่นะเอ๊เพื่อนเราคลักๆเลยนะเพื่อนเราชัดๆเลยเนะีย่ยเยลุงตาลก็นี่นะมีอยู่มาวันหนึ่งเ ป, เป็นวันนักขัตฤกษ์ ชาวบ้านเขาก็ไปดูงานทักขัดตะเร่กันหมดแต่ครอบครัวครอบครัวนั้นอยู่ทั้งหมดทั้งผัวทั้งเมียตอนนี้เด็กคนนี้มันเริ่มเดินเตปปะเ ป, ปะ ป, ปะเปะปะเปะปะหน้าตาไม่เป็นผู้เป็นคนดอกออลุงตานนอนอลูกกับลูกกับแม่บ้านนอนอีกม้งหนึ่งลุงตานนอนอีกม้งหนึ่งพอลุงตานนอนที่ม้งเนี่ยนอนไปนอนไปรู้สึกว่ามีอะไรเหมือนกับ ถูกอะไรมากดมาทับระเมอเพลาะเพลาะเนี่ยรู้สึกตัวเลยแต่ทําอะไรไม่ได้เลยแหละเหมือนมีอะไรมาอ่าเหมือนผีมาอำ่ำอางั้นแหะในขณะเดียวกันเห็นเด็กที่เป็นลูกชายนั่นแหละถือตะเกียงเดินเปะปะเปะปะเปะป ะ, ป ะ, ปะม า, มาโยนใส่มุ้ไฟมันก็นไม่คลอกนะทีนี้เสียงแล้วมัน ก, นคนออก็คลานออกไปคลานออกไปไฟไม่คลอกลงตาลเกือบตายเป็นตอนตะโกนเมียเข้าใจว่าตายแล้วเมียเข้าใจว่าตายแล้ว พอวันรุ่งขึ้นเอาไปทิ้งที่วัดลงตาเนี่ยดําเป็นตอตะโกไปเลยละ่ะเขาคิดว่าตายแล้วเอาไปทิ้งที่วัดอเอาไปทิ้งที่วัดแล้วเด็กคนนี้นะหลังจากเขาทําอย่างนี้เสร็จไม่กี่วันเขาป่วยป่วยกระสาะกระแสดแล้วก็ในที่สุดเขาก็ตายไปนี่นี่ก็คือคนที่มีเวรมีภัยต่อกันเลยกันมาเกิดเพื่อที่จะสนองเวรสนองภยัยพอสนองเสร็จเขาก็ไปแล้วเห็นไหมพอสนองเสร็จเขาก็ไปแล้วอันนี้มันมีในวัดเราก็มีนะ หนังสือของทอเลียงพี่บูนไปไปเ อ, อามาอ่านใครเห็นไปเ อ, อามาอ่านดูลุงตาลจานใบลานนี่เรื่องเพศเรื่องเวรเรื่องภยัยเรื่องบาปเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นเราพูดยาวไปถึงทีขาวุกุมารเ น, นี่ยอันนั้นคือเป็นเวรเป็นภัยกันแท้แท้ฆ่าพ่อของตัวเองแท้แทอ้อยู่ในเงื้อมมือแ ท, แท้แต่พ่อได้สั่งเอาไว้รูปเอยรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่ อ, อก็เลยถือมาเป็นคติ แล้วอ้าเป็นพิษไมตรีต่อกันไปดีกว่าการเบียดเบียนกันการสนองเวนสนองภัยโตต่อกันและกันยังไงก็มันก็ไม่จบเวนไม่ระงับด้วยการจองเวปจองไปเรื่อยเวนก็ตอบไปเรื่อยจองไปเรื่อยก็เวนก็ตอบไปเรื่อยเวนจะระงับด้วยการไม่จองเวนนะเคยเครียดกันเคยแค้นกันเคยอาฆาตเคยพยาบาทกันก็โหสิกรรมให้แก่กันไรกันก็จบเท่านั้น แต่ถ้าต่อแล้วไม่มีประโยชน์ไ ม, ไม่เกิดประโยชน์อะไรแม้แต่เม็ดเดียวนี่เราพูดถึงเวรถองภยัยถึงบาปถึงกรรมมีทุกคนและสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องเวรเรื่องภยัยเรื่องบาปเรื่องกรรมมันเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเองอความเป็นอยู่ของโลกมันมีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าการทำาหากินเขาก็ทำาหากินเราก็ทำาหากินเขาก็มีหูมีตาอยากได้เราก็มีหูมีตาอยากได้นักงนกเข้าแล้วก็เลยเกี่ยวข้องกันเลยมี เรื่องทะเลาะเบาแหวงกันมีอะไรอะไรกันมีความมีความโลภมีความโกรธตามมามาขัดข้องซึ่งกันและกันแล้วก็จองเวรจองภัยกันไม่จบไม่สิ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นกิริยาประจำอยู่โลกนี้พยายามวัตตะสงสารอันนี้ถ้าหากเราไม่ปล่อยไม่ละไม่วางไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดให้มันหมดไม่ตัดให้มันสั้นลงมันก็ต่อยืดยาวไปไม่มีที่จบ แต่เรานะต้องการความสุขความเจริญแต่กลับเป็นว่าเป็นต่อกรรมต่อเวียนไม่จบมันกลายเป็นว่าหันหลังให้กับคุณงามความดีหันหลังให้กับความจบหันหลังให้กับความสุขความเจริญของตัวเองนี่ก็เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราด้วยกันทุกคนวันนี้ก็ได้ประรบถึงเรื่องไปงานศพหลวงปู่สาย <c oughs> แล้วกอนิทาน อาจารย์สวัสดิ์มาเสิร์ฟให้พวกเราได้ยินได้ฟังถึงการสร้างคุณงามความดีบุญบารมีมันมีจริงๆอ่ามันมีจริงๆให้พวกเราได้นึกรำพึงรำพันเพราะทุกคนมีหัวจิตหัวใจที่จะสร้างที่จะทําคุณงามความดีได้ด้วยกันทุกคนแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วควรจะถือปฏิบัติตามธรรมะของรูปพระเจ้าแล้วก็ไม่ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งใจภาวนากับบางอย่างที่เราตั้งใจภาวนามาเมื่อกี้นี่แหละเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ย ถ้าเราตั้งอกตั้งใจสํารวมระ ม, มัดระวังให้จิตของเราได้รับความสงบโอ้ยบุญอา น, นิสงส์ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาจิตได้รับความสงบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานของปัญญาได้เป็นอย่างนี้หากเราไม่มีปัญญาเราก็อับจนการสแสวงหาปัญญาถือว่าสแสวงหาทางพ้นทุกเพราะคนมีปัญญาสามารถพิจารณาแก้ไขปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราได้มีความสุข ก็พอจะพิจารณาแก้ไขความมีความทุกข์มีปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไขความทุกข์เหล่านั้นได้งานยากงานลําบากทุรกันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งรู้จักเอื้ออํานวยความสะดวกสบายกับตัวเองได้เพราะว่ามีปัญญาแสวงหาทรัพย์ก็หาได้ง่ายแสดงหาลาภหายศหาเกียรติแก้ไขปัญหาสารพัดก็แก้ได้ง่ายเนื่องจากว่าเรามีปัญญาศีลสมาธิปัญญา จึงเป็นเรื่องเพิ่มพูนสติปัญญาให้แกเราได้เป็นอย่างดีอย่าลืมฟังแล้วเอาไปถือเอาไปประพฤติปฏิบัติอาเอวังแค่นี้วันนี้อ่าเลิกซะทีอ่ร้อนท่านไปเล่าไอ ห, หมูท่านฟังเด้อ ท่านฟังได้กี่เปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ครับมา <laughs> ท่านบวชอยู่เมืองไทยตั้งสิบกว่าปีแล้วนี่นะ